พระธรรมเทศนาแผ่นที่103ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอย่าเลือกกรรมชั่วติดตัวเราไปแลววันนี้เป็นวันที่25 กันยายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยาเป็นวันทำบนทอดผ้าป่าสามคัคคีอย่างพวกเราเคยทำทุกเดือนแต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนสุดท้าย เ, เป็นเดือนออกพรรษาเป็นวันกระถิ่นโคคงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ถึงยังไงคุณชายกับคณะกรรมการอาจารย์เจริญบอกว่าก็ยังยึด อาทิตย์สุดท้ายของเดือนคือคงจะเป็นเดือนวันที่30กุม芒นะแต่ที่ยังไงก็วัดกระถินวัดป่าบ้านตาดเป็นวันที่22 2นาะคณะทายาทโจม2ี่สิบสองตุลาวันเสาร์ที่22ตุลาแต่กระถินวัดป่านาคาน้อยกระถินสามัคคีเหมือนกันนะ่เป็นวันที่23ตุิบมตุลาเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันปียะ ด้วยวันวันที่23ปันวันปิยะนะก็คงจะหยุดต่อไปอีกสักวันหนึ่งหยุดชดเชยอันนี้เขาขอแจ้งข่าวให้คณะสัตยาธิโจมลูกหลานทุกคนให้ได้รับรู้รับทราบว่ากรถินวัดป่าบ้านตาดเมื่อไรทางขวานหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวก็เหมือนกับว่ากระถินวัดป่านะคำนี้ของหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่น้อทําไมไม่เห็นท่านไม่เห็นท่านบอก ท่านขีดตนีทีเหนียวไม่อยากจะให้เราไปกับมั่งท่านจึงไม่บอกถ้าถ้าบอกมาก็เหมือนกับหลวงพ่ออินขอแผ่ขพ อ, พอพวกเราแล้วนี่อยากจะให้พวกเราไปทั้งสองคำเนยนะคณะทาญาติโยมทั้งบอกทั้งไม่บอกเนี่ยก็สุแทแต่ทายาิโยมทุกทกท่านนะนะถ้าจะดวกพอไปได้ก็ดีไปทัศนศึกษาดีกว่าอยู่ในบ้านในเรือนของพวกเราถ้าพอไปได้นะถ้าว่ามันไปไม่ได้ก็ไม่ควรจะไป ควรจะอยูนะ่ทําบุญที่สวนแสงธรรมของเราเนี่ยนะทุกเดือนก็จะมีการทอดผ้าป่าอยู่แล้วขอให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะ่าให้ความใส่ใจสนใจแต่ปีนี้ก็ข่าวนี้ก็นี่แหละสวนแสงธรรมของเราก็มีค่าใช้ใจนะ่ายเนี่คณะศรัทธายาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้ละทั้งพัดลมหมุนๆอยนเนี่ยนะและวก็แสงสว่าง แล้วก็วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ําทุกหยดทุกหยาดตั้นแล้วจะเป็นเงินพี่น้องประชาชนทั้งหมดนั่นแหละนี่แหละการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อทําบุญไปแล้ว เ, เราพวกเราเสียสละลงไปแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสวนแสงธรรมของเราเป็นสาธารณะประโยชน์ตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกคณะกรรมการก็จะได้ช่วยกันดูแลเสนาชนะ อย่างของพ่อมาค้าวก่อนฝนตกอย่างแรงน้ําท่วมขึ้นไปถึงกุฏิของพระและทำยังไงก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ํำจะสูบได้ยังไงก็ต้องใช้ไฟใช่ต้องไฟเพราะไฟแล้วก็กินเงินเท่าไหร่กันบางทีมันก็น่านิ้วก็ได้ใช้ค่าไฟเยอะเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าสูบน้ําออกจากที่ลุ่มสว น, นเชียงคำคลอามันเปลี่นเป็นที่ลุ่มเป็นแอง่ง เป็นดินล้อมรอบทั้งสองทั้งสามสี่ทิศแหละเมื่อเราอยู่ในหนองน้ำํำบึงหนอง อ, อ, อย่างนั้นละ่ะสักการอย่างนั้นส่วนเชียงธรรมของเราขณะนี้เพราะะฉนนันนนนน้จะต้องได้ใช้เครื่องสูบอันนี้ก็จะต้องได้ชะถุกปัจจัยจะถุกปัจจัยมีความจําเป็นคนะณะสัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานเพราะันั้นวันนี้พวกเราที่มาร่วมมารวมกันถ้าควรจะเสียสละคนละมากคนละน้อยแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะ เมื่อเสียสระลงไปก็มาเห็นไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะแต่ถ้าไม่ทําบุญทําทานเฉลยหลวงพ่อก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าทําบุญทําทานจนหมดตัวจนเกินไปเอออันนั้นก็ทําแบบไม่คิดไม่อ่านก็ดีถ้าเสียสละอย่างนั้นพอเสียสระแล้วก็ไปบวชเป็นลูกศิษย์ไปบวชเป็นพระกับหลวงพ่อจะยังดีนะแต่เพราะเสียสระนะไม่ต้องห่วงหาอะไรเสียสละนะ แต่ถ้าว่าเรายังมีครอบมีครัวอยู่ เ, เราก็ต้องการทําบุญทําทานเราก็ต้องได้คิดแบ่งกินแบ่ ง, บงทานคนโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าไม่ทําบุญทําทานจะเลยอนาคตของเรามืดบอดนะ อ, อนาคตมืดบอดพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอานิสงส์ไม่มีผลบุญเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ทุกยากอย่างเก่านะ่ะ เลี้ยงผาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทั้งยากเพราะอะไรเพราะอั น, นิี้สงทานไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องการทําทานอย่ามองข้ามนะคณะทตา ญ, ญาติโยมลูกหลานถึงจะนั่งภาวนาก็เถอะนะถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้มีอั น, นิี้สงนในการทําบุญทำทาน <c oughs> อั น, นิี้สงทานไม่มีในครั้งพุทธการพระในครั้งพุทธการอย่างภาพพายะธารุจริยาท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเพียงสาบาทพระคาถาน 3บาทก็คือสาคำพูดพายยะท่านจงให้อย่าให้ความสำคัญในการรู้และการเห็นของท่าน อ, อ, อย่าให้ความสาคัญในการรู้และการเห็นของท่าน เ, เพียงโพูดเท่านั้นนะพระพายยะได้สำเร็จเป็นพระหรหันในเมื่อเป็นพระหรหันแลน้วทนี้พระพุทธองค์ก็มองดูอีกเอ้พายยะเนี่ยเขาเคยได้ทำบุญทำทานไไวไวไหมในอดีตชาติ ไม่มีพอไม่มีพระองค์บอกว่าพาหิยะเธอจงไปสอบแสวงหาอัฏฐบริขารคือบริขารบาดจีวอลเจก่อนครบรสก่อนเธอยังบวชนะทั้งที่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วนะท่านท่านไม่ได้เจก่อนมีแต่ท่านเล่งภาวนาอย่างเดียวบินท้าบาดมาฉันแล้วกับภาวนาที่จะขนขวายดูแลหมู่พเพื่อน เ, ออเรื่องอัฏฐบริขารเรื่องการเป็นอยู่ท่านไม่เคยคิดเลย มีแต่ภาวนาลูกเดียวแต่พอท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่มีบุญบา ร, รมีในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบวช ด, ด้วยบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุไม่ได้แต่ตามปกติเนะี่ยถ้าหาว่าผู้ใดสําเร็จได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลและพระพุทธองค์ก็บอกเอหิภิกขุอุปสมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวไว้ดีแล้วนะ เพียงแค่นั้นบริขารลอยมาทางอากาศเลยมาสวมใส่เข้าไปท่านก็เป็นพระภิกษุใน พ, พุทธศาสนาในเดียวนั้นอันนี้หลวงบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุแต่พระพาหิยะนี่ท่านได้สำเร็จเป็นพระหันท่านพระองค์ก็มองดูอดีตกรรมของพระพาหิยะไม่มีบุญบารมีที่ได้เคยทำบุญทำฐานไว้ในอดีตชาติเพราะนั้นพระองค์จึงบวชเอหิภิกขุไม่ได้ ก็บอกว่าเธอจงไปแ ส, สวงหาบริขารให้ครบซะก่อนนะเธอจึงบวชนพะาหิยะนะเนี่แหละอันนี้จากนั้นมาพราหิยะก็เดินออกมาหน่อยหนึ่งวัวแม่ลูกอ่อนก็เลยขวิดชนเข้าไปในท้องพาหิยะก็เลยมรรณะภาพลงไปตายพอตายในข้างถนนพระ พ, พุทธเจ้าบิณฑบาตกลับออกมามาเห็นผนลุมดู เออแต่ในพระสงฆ์บอกว่าเออดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายแอบพวกพวกเธอต้องหาตะแค่แอบ อ, ออกไปหามพาหยะออกไปสู่วัดป่าเชตะวันพระสงฆ์ก็เลยได้หาตะแค่ในละแวกนั้นแอบก็หามภายะขึ้นบนตะแค่จากนั้นก็หามศพจรีละของท่านไปสู่วัดป่าเชตะวันพระองค์บอกว่าเออพระสงฆ์ก็ถามว่าพระภาหยะนี่ยท่านได้ ได้ทําขั้นไหนหนอพระเจ้าข่าที่ท่านยืนฟังธรรมเพราะพระพองค์บอกว่าพาหยะเขาได้สําเร็จเป็นพระอรหันในขณะที่เขายืนฟังธรรมเราตถาคตในถนนโอ้ทําไมเขาจึงได้สําเร็จเร็วนักพระเจ้าข่าพระพุทธองค์บอกว่าอย่าไปว่าเร็วหรือช้าคําพูดใดก็าตามถึงจะเป็นพูดคําเดียวแต่กินใจเข้าใจได้พร้อมที่จะปล่อยวางทางด้านจิตใจอันนี้พาหยะเขาได้ฟังคําพูด คำตรัสของเราเท่านั้นะเพียงสองสาบาทพั ก, กาาาขาาขาคว้าได้สำเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นนี่แหละเธอเป็นพระรหันแล้วนะเป็นพี่ชายของพวกเธอท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่ได้เป็นพระรหันนี่ก็คือเป็นพี่ชายพวกที่ยังอยู่ในยังอยู่ในเปลาะไขย่ยังเป็นน้องพระองค์บอกว่าไข่กระเทาะปอาะไข่คือไก่ตัว น, นั้นแหละเป็นพี่โม่จานวนไก่ไข่ที่อยู่ ไก่ที่อยู่ในไข่เนะี่ยยังอยู่ในฟองนะ่ยอันนั้นเป็นน้องเนะนี่ยนะพาหยะนะท่านกร็ะทะ้ฟอฟองไข่ออกแล้วท่านได้เป็นพระหรหันแล้วเนะนี่ยนี่หลสรุปแล้วคือหลวงพ่ออยากจะพูดเน้นจุดที่ว่าอันในสงแห่งการทําทานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคันนะัสธาญาิโยมเราอย่ามองข้ามในการทําทานถึงจะรักษาศีลก็ใช่ต้องมีทานเป็นพื้นฐานต้องมีทานต้องมีศีลแล้วก็ต้องมีภาวนาถ้าว่าเรา มีฐานมีศีลมีภาวนาถ้าว่าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้นะถ้าเราพ้นทุกเราไม่มีปัญหาจบไปเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องฐานเ ร, รื่องศีลแต่ถ้าว่าเราเยังไม่พ้นทุกในชาตินี้ เ, เรื่องอ น, น, งนิอนนสงฐานอนิสงศีนี่จะต้องได้พึ่งพาอาศอัยพึ่งพาอาศัยอนิสงฐานจะต้องหล่อเลี้ยงพวกพวกเราเกิดมาพบใดชาติใดก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่ยากอนิสงศีนคุ้มครองไปเกิดในสถานที่ใด สินคุ้มครองจะไม่มีขมโมยโจรมาลังแกเบียดเบียนพวกเราเพราะอันนี้สงศินคุ้มครองเพราะในสงฐานอันนี้สงสินคุ้มนนนนสสครองพวกเราเกิดมาพบใดชาติใดก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่ยากเมตุพยากลาบากห้อยไรลเพราะอันนี้สงสินอันนี้สงทานคุ้มครองเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะได้มาในวันนี้ก็มาเพื่อทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราถึงจะมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่นะ แต่ถึงจะไงก็ควรจะมีนะควรจะเสียสละคนละมากคนละน้อยเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อบำรุงสวนแสงธรรมของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่สวนแสงธรรมนี่ก็ค่าใช้จ่ายก็หลายเงินพอสงควรค่าไฟนะเราประกาศทําให้กับพี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟังคือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะ ให้ร่วงกันสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถึงอย่างไรโค้งสุดท้ายของพวกเราบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเครือกุณหนุนพวกเราพวกเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่นี่ย อ, อันนี้กหลวงพ่อไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ฟังว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเรานี่นะไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับน้ำค้างอยู่ใบบัวน้ําลมมากระโชคมาเมื่อไหร่ ใบน้ำก็ตกลงจากใบบัวเมื่อนั้นนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่เดียวเนี่ยวันนี้จะได้ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินอาจจะตกก็ได้ใช่ไหมเครื่องบินตกเคยมีไหมเราก็เคยได้ยินมากมามากต่อมากถ้าขี่รถนั่งรถไปรถชนรถเฉียวก็ได้ถ้าเรานอนอยู่ดีดีหัวใจวายตายกม็มีนั่งไปที่ไหนตายก็มีนั่งตายก็มีนอนตายก็มีเดินตายก็มี มีหมดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเสรุปแล้วก็คือชีวิตของพวกเราหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงพระพุทธเจ้าจึงท่านจ้าวันยาตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีหนะ้าคุณงามความดีนั่นแหละเมื่อพวกเราล้มหายตายจากเวลาเวลาใดไปเวลาใดบุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเพื่อนสองถ้าว่าเราทําบาปบาปก็จะเป็นเพื่อนสองของพวกเราอีกเหมือนกันนะ ไปสู่ปารโลกภายภาคหน้าเกิดมาพบใดชาติใดบาปให้ผลเกิดมาพบหน้าชาติหน้าหูหัวตาบอดบ้าใบเสียจิตเออเป็นบ้าไปอีกจะเนี่ยเออทุกเป็นคนคนทุกคนจนอีกเ พ, อเพราะอะไรเพราะบาปให้ผลถ้าบุญให้ผลเออเกิดมาพบหน้าชาติหน้าไปเกิดในตระกูลรวยสติปัญญาค่องแคล่วมีอะไรพูดจ่าพาทีเออเป็นผู้มั่งมีสิริสุขกล่ำรวยร่างกายเสร็จสวยงดงาม ญาติพี่น้องญาติโกโหติกามีแต่คนดีเพราะกรรมดีพาไปถ้ากรรมชั่วพาไปมันอีกแบบหนึ่งนะคณาจารย์ญาติโยมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาเจอมาพุทธมาพบพระพุทธศาสนาแล้วควรจะประกอบคุณงามความดีคิดดีทาดีพูดดนะีถ้าว่าพวกเราคิดดีทาดีพูดดีกรรมดีจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะมีความสุขความเจริญในทางพบพบนี้ชาตินี้ภารโรคภัยภาคหน้ามีแต่เจอแต่ของดีถ้าหากว่าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผล เ, เกิดชัดชาตินี้ก็เถอะเมื่อเราทํากรรมชั่วลงไปติดคุกติดตารางอีกออตายไปพบหน้าชาติหน้าก็หน้า เ, เป็นบ้าใบเสียจิตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะกรรมชั่วให้ผล เพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าท่านให้เชื่อกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรออทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงเพราะฉนั้นพวกเราควรจะทําแต่กรรมดีอัคตังลุกตังเสยโยปชัชฌะทัปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละวันนี้ก็พวกเราได้มาทํากรรมดีนะขนาาา้าราชารญาติโยมเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราก็อุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของพวกเราดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ได้ยากอย่างไรขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราในเมื่อเราทําบุญไปแล้วจากนั้นเราก็จะได้ทอดผ้าป่าสามคีสมทบทุนเพื่อดูแลบํารุงสวนแสงธรรมของพวกเรา แน่นอนล้ลวนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้พวกเรามาร่วมมารวมกันเพื่ อ, อ, อสร้างบุญสร้างกุศลมาสร้างบา ร, รมีของพวกเราสรุปแล้วก็เหมือนกับพวกเราไปทํางานห้างสรรพสินค้าละวันนี้ เ, เราเป็นทําห้างสรรพสินค้าบางพว ก, กเป็นขอออเป็นผู้อำนวยการเป็นพนักงานแต่ล ะ, ะแผนกการสุดแท้แต่พอทําเสร็จแล้วก็เงินเดือนก็เข้ากระเป๋าใครกระเป๋าเรา นี้เหมือนกันนะั่นะพวกเรามาสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อเรามาทำแล้วมาทาบุญไปแล้วนะ่บุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเรามากน้อยเอลอเียไปตามบุญกุศลที่พวกเราได้กระทาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสร้างบุ ญ, ส ร, บญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจ ไม่ถึงร้อยปีละต่างคนต่างไปกันละนะนะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในเสนีหนาะ